ให้พากันตั้งใจให้ดีในขณะนี้แหละเรามารวมกันอยู่ก็เพื่อที่จะมาหัดตั้งกิจตั้งใจของตนแต่ละคนให้นแน่วแน่เพราะฉะนั้นอย่าพากันปล่อยใจให้มันลอยไปทางอื่นกำหนด รู้อยู่ในปัจจุวันนี้ก็ <S <S 1> <S 1> เรารู้แล้วนี่ทุกคนก็รู้แล้วทุกสิ่งไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมี่รวนจะเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งนั่นเลยแต่ว่า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 เขามองเห็นอยู่นี่ว่าถ้าหากว่าเราฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นหนักแน่นลงไปแล้วไม่วั่นไหวต่อสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาอย่างว่านั่นแล้วเราจะเป็นอิสระเสรีจะมีความสุขความสบายมากเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงได้มั่นใจในการทําความเพียร น, นะอ ให้พากันเข้าใจไอคนที่ไม่สนใจในการที่จะมาฝึกผลจิตใจตัวเองนี่ก็เนื่องมาแต่มันมองไม่เห็นเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยจําเป็นต้องปล่อยใจของตนให้ลอยไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจบ้างอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชังบ้าง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 นั่นอย่างคนที่แต่งงอมแต่งงานมีผัวมีเมียมูนตั้งแต่ชาติก่อนนั้นมันก็เคยมีมาแล้วนั่นแหละเคยผูกพันกันมาแล้วกรรมนั้นมันก็นวงเหนียวเข้ามาพบกันเข้าไปอีกก็ไปผูกพันกันเข้าไปอีกอย่างนี้เลยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปอยู่อย่างนั้นนะร่วมทุกข์นั่นแหละหลายก็ร่วมสุขนะ ผู้ครองเรือนแล้วคงจะรู้ดีเว้เนเสียแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแล้วแยกตัวออกไปบำเพ็ญพจไทให้สูงขึ้นไปแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่ได้ผูกพันกันต่อไปอีกทีนี้ ต่างคนต่างก็นําชีวิตของตนไปตามวิถีทางของตนก็เป็นอย่างนี้แหละในโลกสงสารอันนี้นะผู <c oughs> ้ที่นี้ออกมาบวชได้แต่ก่อนก็ครองเรือนมานับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันแต่เมื่ออินทรีย์ีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันต้งมองเห็นโทษท่านี้มองเห็นโทษของการครองเรือนว่ามันมีแต่โทษ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 ไอดวงกิดนี่สิมันมีปัญหาแบบนี้นะเนี่ยจะต้องเสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้เนื่องมาแต่ตนทํากรรมดีก็ทํากรรมชั่วกว็ทำด้อย่างนี้มันก็ต้องเลยเสวยทั้งสองอย่างไปอย่างเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็ต้องทบทวนดูก็ได้บางข้าวก็มีความสุขมาบางข้าวก็ประสบกับความทุกข์ ความเดือดร้อนเสียอกชกใจอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ก็นึ่งมาแ่กรำดีกรรมชั่วที่ตัวทำออกมาแต่ก่อนน่ะมันมาอำนวยผลให้แต่คนเรามันไม่ได้หัวนึกคิดอย่างว่านี้แม้ว่าตนได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรก็มีแต่ร้องครวญครางไปอยู่อย่างนั้นแทนที่จะนึกคิดว่า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 เพราะต่างคนต่างมีกรรมบินของของตนต่างคนก็ต่างเสวยผลกรรมของตนของตนไปอผู้ใดซึ่งมีบุญกุศลพอสมมาสมควรอย่างนี้นี่มันก็บันดานให้มารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะได้เพราะมีความคิดเห็นตรงกัน พอมาคิดเห็นความทุกข์ในวตาสงสารอันนี้เพราะเหตุที่ไม่รู้ธรรมของจริงจึงได้มาง่วงอยู่ในสงสารอันนี้ต่างคนต่างคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้หันหน้าเข้าหากัน ช, กชักชวนกันแสวงหาหนทางที่จะให้รู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้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 ทนทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะเหตุปัจจัยอะไรเหตุที่ได้สวยความสุขนั้นเพราะอะไรถ้าผู้ใดมาทบทวนดูแล้วมันก็จะรู้ได้นะตนจะมีความสุขอยู่ได้นี่ก็เพราะบุญเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็พอใจในการสั่งสมบุญเรื่อยไปตนได้ประสบความทุกข์ทนทรมานอยู่นี่ก็เพราะบาป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 กรรมเวรที่มันคอยตามสะกดรอยจะให้ผลนั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงอานิสงส์แห่งเมตตาทมนิไวถึงสิบอย่างนู่นเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพื่นะผู้เจริญเมตตานะล้วนอนหลับไปก็ฝันดี ไม่ฝันร้ายไม่ตายด้วยยาพิษยาเบื่อไม่ตายด้วยอาวุธศัตรูมีผิวพันวันนะผ่องใสคนมีเมตตาทรรมอยู่ในใจนะ <c oughs> การทาสมาธิก็จิตใจสงบด้วยได้รวดเร็ว <c oughs> ทีนี้เมื่อเวลาจะชิ้นซีบทำลายขันก็ไม่หลง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 บาบกรรมเหล่านั้นจะไม่ตามสนองบุคคลผู้นั้นต่อไปนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจข้อสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าทาจิตให้เป็นสมาธิได้รวดเร็วนี่อันนี้สงแห่งเมตตาธรรมก็นับว่าเป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าผู้ที่ มีเมตตาจิตแล้วมามองดูจิตของตอนนี้ไม่เกลียดใครไม่ชังใครเลยไม่คิดอิจฉาใครไม่วิตกวิจารณ์ว่าคนนั้นเบียดเบียนเราอคนนี้ขมเหงเราไม่วิตกเลยเพราะว่าเราให้อภัยเขาไปหมดใครจะคิดเป็นศัตรูต่อตอนตนก็ไม่คิดตอบโต้ยกโทษให้อภัยให้ไปหมด ดังนั้นเมื่อมาทบทวนดูจิตของตัวเองนี่มันจึงเห็นว่าเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจริงๆไม่อิจฉาพยาบาทใครรูกจักให้อภัยแก่ศัตรูได้ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้นะการน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็เป็นไปได้ดีจิตก็สงบลงไปได้ง่ายนี่ บุคคลผู้มันทำสมาธิอยู่มีจิตใจตั้งมั่นมีสติแก่กล้าอยู่ในตนถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก็ตามอันเมื่อเวลาจวนจะชินซีบทำลายขันนั้นก็มีสติเต็มที่เลยไม่หลงไหลาตายหมายความว่างนะตายอย่างคนมีสติ คนมีสตินี่หมายความว่าควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ยึดมั่นถือไม่อไไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในเรื่องอดีตอนาคตไม่ให้มาเกี่ยวข้องอยู่ในจิตใจนี้เลยเนี่ยที่ท่านเรียกว่าไม่ลหลงไหลตายนะ น, นะคำว่าผู้ลหลงไหลตายนี่หมายความว่าเมื่อเวลาจวนจะตายนี่มันไม่มีสติควบคุมจิตได้จิตก็ละเมอเพ้อวัญไป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 ให้ปรงให้วางมันลงเสียขันห้านี่อย่าไปหวงมันมันจะได้พ้นทุกไปจะไม่ได้กลับมาให้เสือกิน อ, กอีกท่านได้รับคำเตือนจากพักพวกแล้วก็ตั้งสติพิจารณาปรงขันห่านี้ลงในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหั ต, ตผลอยู่ในปากเสือแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยนี่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 จะหนีออกไปบวชก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านอยู่เรือนก็ฝึกอยู่ในบ้านเรือนของตนนั่นแหละได้โอกาสเวลาไหนก็ทำสมาธิภาวนาหรือไหว้พระสวดมน์เข้าไปเพ่งจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบให้ได้ไม่ส่งเสริมความคิดความนึกความปรุงความแต่ง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 มาสำรวมจิตนี้ให้เป็นปกติอยู่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ควรคิดก็ไม่คิดมันเลยพยายามระ ง, งับความคิดภายในจิตใจนี้ไว้เสมอไม่ส่งเสริมความคิดแบบนี้นะก็เราทวนกระแสจิตดูแล้วนี่ว่าที่เรื่องราวที่เป็นชอบคิดหมืนนั้นพิจารณาดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอย่า ง, างนี้นะ กับเมื่อเห็นว่ามันความคิดปรำบราเหมือนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็เอาแล้วสะกดจิตนี่ไว้เลยอาศัยสตินั่นรับเพ่งจิตนี่เข้าไปเพ่งความรู้สึกอันนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอกเมื่อสะิมแก่กล้าเข้าไปเท่าไหร่จิตมันก็อยู่ได้มันก็หยุดคิดลงได้นี่แต่แต่มันก็ต้องอดทนแหละ การทำความเพียรอย่างว่านี่นะถ้าไม่อดทนแล้วมันทำไม่ได้ <c oughs> มันอุปมาเหมือนอย่างที่เขาไปสักสุมในหนองน่ะนะพอไปเจอปลาตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปแล้วปลาเนี่ยมันรั่วมีอะไรมาครอบตัวอยู่แล้ววันนี้มันก็ลิ้นหาทางออกนั่นแหละ ถ้าหากว่าเจ้าของไม่แข็งแรงอ่ะปลาตัวใหญ่นี่มันดันเอาสุ่มเพิงไปเลยมันก็หลุดออกไปได้ออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสตินี่ไม่เ ก, กล้าทำความเพียนเพ่งพินิษเข้าไปอย่างนี้นี่กิเลสมันดันขึ้นมาเนะ่ะสติอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้ มันก็ทนไม่ไหวต้องคิดไปตามอารมณ์นั้นตามกิเลสนั้นๆนั้นเหมือนอย่างปลามันถูกอยู่ในสุ่มเขานั่นนหะถ้ามันกดสุ่มนั้นไว้ไม่แรงปลามันดันออกไปได้เลยนี่เราต้องสู้ยไงวะเราต้องอดต้องทนการทําความเพียรทางใจนี่ตั้งแต่การงานอย่างอื่นเรายัางอดอยังทนนะต้องนึกเพียบ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 ถ้าขืนไม่สู้อย่างนั้นการทํานาทําสวนอะไรมันก็ไม่ได้ผลเลยแบบนี้ออมันจะล่าช้าเฉลยและดูการไปเมื่อมันเลยและดูการไปแล้วมันก็ทําไม่ได้เหตุนั้นต้องรีบเร่งทําให้มันทันกับฤดูกาลเช่นทํานาก็ต้องรีบเร่งทันทําไปให้มันทันกับฤดูฝนถ้าหมดผลแล้วทําไม่ได้ออันนี้ชั้นใดก็เหมือนกัน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 มีแต่นั่งเสวยผลของมันอยู่มีแต่ทำความเพียรทางใจอย่างเดียวความเพียรทางกายนี่จะให้เหมือนแต่ยังหนุ่มไม่ได้ผู้ที่บากบันมั่นหมายแต่ยังหนุ่มแน่นเข้าไปชำระละกิเลสหยาบๆต่างๆให้มันเบาบางไปจากดวงขีดได้ถ้ายัางมันเหลือก็ให้เหลือแต่ยังกิเลสอย่างละเอียดเข้าไปอย่างนี้ เมื่อถึงวัยชรามาแล้วมันก็ยังชั่วมันก็ไม่กิเลสอันละเอียดไม่ไม่ไมคุกคามจิตใจให้เดือดร้อนเท่าไรนักันนี้มันก็ใช้ปัญญาอันละเอียดสุขุมพิจารณากันแก้ไขกันไปไม่ได้ออกกำลังทำความเพียรอย่างเข้มงวดเหมือนอย่างเมื่อยังหนุ่มยังแน่นน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนรีบเร่งให้ทันกับฤดูกาลนั่นเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องเตือนตนน ะ, ะเมื่อเวลาตนยังมีกำลังวังชาดีอยู่เนี่ยอย่าประมาทนะต้องรีบเร่งทำอย่างนี้เมื่อเฒ่าแก่ชรามาแล้วมันจะทำไม่ได้เ <c oughs> ตือนตนเข้าอย่างนี้มันก็รีบเร่งเข้าไปแหละ คนหนุ่มนี่เมื่อทําความดีอะไรเนี่ยมันมีผลมากเพราะมันทําได้มากมันแข็งแรงอออย่างนี้แหละดังนั้นในพุทธศาสนาเนี่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ที่ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์นั้นส่วนมากเป็นแต่คนหนุ่มอืคนแก่นั้นมีน้อยเต็มที <c oughs> คนหนุ่มทั้งที่ยังไม่ได้ครองเรือนนี่แหละเป็นจํานวนมากเลยทีเดียว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 ถ้าผู้ที่ได้ครองเรือนมาแล้วนี่มันยากเต็มทีเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างนี้กลัวจะหนีออกบวชได้นะมันต้องพยายามเต็มที่เลยต้องปดนั่นต้องเปลื้องนี่อยู่งั้นไนงะ <c oughs> กลัวจะสลัดมันออกมาได้ <c oughs> แต่บางคนก็ออกไม่ได้เลยเพราะอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ ถึงจะมีศรัทธาอยากบวชก็บวชไม่ได้บวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติออยู่ในบ้านในเรือนนั้นก็พอเป็นอุปนิสัยปัดใจไปได้อยู่บุคคลผู้ไม่ประมาทนนัผู้ประมาทแล้วถึงบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรอืก็มักจะไปสะสมบาปอกุศลใส่ตนนั่นแหละคนประมาทเนี่ย เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ประมาทนี่นับว่าได้บุญมากได้บุญได้กุศลมากกว่าผู้อยู่ครองเรือนอีกซ้ํามัอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหลยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่มีใครนะจะมาช่วยเราได้การทําความเพียรทางใจนี่นะทุกคนต้องช่วยตัวเองเลย อครัวบาอาจารย์ก็เป็ น, นเพียงเนะแนวทางให้เท่านี้แหละถ้าตนไม่ทําด้วยตนเองแล้วก็มึงก็แล้วไปแล้วอืแล้วจะใครจะมาหยิบยกเอาบุญเอากุศลมาให้เราใครจะมาชาระล ะ, ละกิเลสบาปธรรมออกจา ก, กจิตใจให้เราได้ไม่มีทุกคนต้องให้เตือนตนอย่างนี้ให้มากๆเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็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 พอไปได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเี่อย่างนี้นี่ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้รวดเร็วผู้ขมักขม้นไปตั้งแต่ปัจจุบันาชาตินี้นั่นแหละทำกิเลสหยาบหยาบให้เบาบางออกไปเลยอย่างมีเหลือก็ให้กิเลสอย่างกลางหรืออย่างละเอียดอย่างนี้นะ อย่างนี้พอได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมันก็เห็นแจ้งไปตามเลยออย่างที่ประวัติของพระสาวกตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามานั้นเนี่ยอบางท่านก็สามารถบรรลุอรหัตตะผลตอนเป็นครือขัดอยู่นั้นฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พอพระองค์แสดงธรรมจบลงก็ขอบวชทันทีพระองค์ก็บวชให้ท่านก็ได้เสวยอรหั ต, ตผลอ น, นันอยู่ไปจนหมดอายุสังขารแล้วทานก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนี่แหละการที่เราเอาทุกขเป็นทุนฝึกฝนอนไม่เห็นแก่ความยากความลำบากนี่ย่อมจกทาให้อินทรีบารมีแก่กล้า เต็มที่ทีเดียวสามารถที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลในการต่อไปไม่คลาดแควเลยจะไม่เดินทางผิดไม่มีความเห็นผิดเข้ามาแทรกแซงถ้าบุคคลใดมาบำเพ็ญทางจิตใจนี่ทำใจตนของตนให้เป็นกลางแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้นะเป็นทุนเป็นรอนไว้ อันนี้นะเป็นธรรมาทิติเป็นความเห็นถูกต้องนะเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่เมือ่อผู้ใดทําดีได้มากเท่าใดอ่ะมูลกุศลมันก็มากเท่านั้นนะผู้ใดละความชั่วได้มากเท่าใดความชั่วมันก็หมดไปสิ้นไปนี่ต้อง